เมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องใช้วิธีบีบคั้นวิธีข่มกิดทางร่างกายช่วยด้วยการขบฟันด้วยฟันดุนเพดานในปากด้วยลิ้นและเมื่อ ใช้วิธีบีบคั้นจิตดังนี้จิตก็จะสงบลงได้รัรอุปมาเหมือนอย่างว่าบุรุษที่มีกำลังจับข่มบุรุษที่อ่อนกำลังกว่าที่ศรีรษะหรือที่คอ บรุษที่อ่อนกำลังกว่านั่นก็ย่อมจะอยู่ในอำนาจของบรุษที่มีกำลังเหนือกว่าจิตก็เหมือนกันเมื่อใช้วิธีบีบคั้นคมอาศัยทางกายดังนี้ก็จะทำให้จิตสงบลงได้ ในข้อนี้เมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นได้ว่าวิธีการข่มทางร่างกายก็เป็นวิธีที่ช่วยข่มจิตได้ทางหนึ่งเหมือนกันสำหรับในพระสูตรได้ตรัสสอนให้ทา จดฟันด้วยฟันดุนเพดานในปากด้วยลิ้นเพียงสองประการและแม้ประการอื่นก็อาจจะช่วยได้ดังเช่นอันความคิดนี้ย่อมเนื่องในลมหายใจ เมื่อกลั้นหายใจก็จะย่อยช่วยหยุดความคิดได้เหมือนกันเช่นเมื่อความคิดกำลังไปแรงต้องการที่จะหยุดสงบความคิดนั้นก็ลองหัดกลั้นหายใจเสียสักนิดหนึ่งหรือเดี๋ยวหนึ่งแล้วเมื่อกลั้นหายใจหยุดหายใจสียเดี๋ยวหนึ่งนิดหนึ่ง ก็จะหยุดความคิดได้เดียวหนึ่งนิดหนึ่งเหมือนกันและเมื่อทำตามที่ตรัสสอนไว้ดังกล่าวก็จะช่วยทำให้ความคิดผ่อนคลายลงได้แต่ว่าที่ตรัสสอนไว้ตั้งห้าวิธีนี้เมื่อปฏิบัติจริงๆแล้วย่อมจะได้ผล ในที่แรกใช้วิธีที่หนึ่งกำหนดนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นซึ่งได้ใช้สำหรับปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติทั่วไปอยู่แล้วและใช้วิธีที่สองพิจารณาให้เห็นโทษ ใช้วิธีที่สมไม่ใส่จัจไม่ระลึกถึงไม่คิดถึงกำหนดถึงใช้วิธีที่สกำหนดตัวความคิดเองดูจิตนี้เองเอาจิตนี้เองเป็นตัวกรรมฐานดูสังขารคือความปรุงแต่งของจิต ดูสันฐานคือสุดทรงของความคิดเมื่อเป็นอย่างไรและในบางคราวเมื่อความคิดมาแรงขมยากก็ใช้วิธีขมอาศัยร่างกายใช้อย่างนั้นบ้างใช้อย่างนี้บ้างแต่ว่าให้ใช่จริงๆ ก็จะต้องข่มจิตลงได้ทำจิตให้เป็นสมาธิได้ให้ตั้งมันอยู่ในภายในได้ในท้ายประสูติ์ได้จัดอานิสงส์แห่งการปฏิบัติขั้งห้าวิธีนี้ว่าผู้ปฏิบัติจนมีความชำนิชำนาญ ย่อมมีความสามารถในกระบวนแห่งวิตก ค, คือความปรึกนึกคิดของตอนปรารถนาที่จะปรึกนึกคิดอันใดก็ย่อมปรึกนึกคิดอันนั้นได้ปรารถนาที่จะไม่ กลึกนึกคิดอันใดก็จะไม่บิดก็จะไม่กลึกนึกคิดอันนั้นได้และเมื่อปฏิบัติเรื่อยไปจนถึงที่สุดก็ยอมจะตัดตัณหาได้ทำลายสัญญต์คือเครื่องโูกได้ทำทุกข์ให้สิ้นสุดลงได้ เพราะละมาละละมาณะได้โดยชอบดังนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นวิธีปฏิบัติที่ผูปฏิบัติกรรมฐานจะพึงนำไปใช้ได้ทุกข้อแม้ในสติปัฏฐานที่ใช้เป็นข้อปฏิบัติเป็นหลัก ข้อจะเป็นข้อที่พิจารณากายหรือเป็นข้อที่พิจารณาธาตุก็ใช้ได้โดยอาศัยวิธีปฏิบัติทั้งห้าประการนี้ต่อไปนี้ขาขอให้ตั้งใจฟังสตรและตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป <c oughs> บัดนี้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 จะแสดงพระพุทธเจ้าทรงสอนสันเเละปฏิบัติตามนยยสันเเลขสูตรนำสติปัฏฐานอันเป็นเครื่อง แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติพุทธศาสนาทั้งปวงนั้นจะเป็นปฏิบัติในสติปัฏฐานหรือในข้ออื่นใด ก็มุ่งสันเลขะปฏิบัติคือปฏิบัติขัดเกลวสันเลขะแปลว่าขัดเกลวก็คือขัดเกลวจิตใจพร้อมทั้งกายวาจา หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าขัดเกลากิเลสขัดเกลวบาปอากุศลธรรมทั้งหลายให้พ้นไปให้สิ้นไปให้หมดไปดังนี้ เรียกว่าสันเลขะที่แปลว่าขัดเกลาสันเลขปฏิบัติก็คือปฏิบัติขัดเกลาในพระสูตรนี้เบื้องตอน้นได้ทรงแสดง ถึงสมาธิก่อนสมาธิที่เป็นอปปนาสมาธิแับสมาธิแน่วแน่จนถึงรปูรปฌานอรูปฌาน ได้ทรงปฏิเสธว่าลำพังสมาธิแม้ถึงรูปประชานรอรูปประชานก็ไม่ชื่อว่าสันเลขธรรมพะเป็นเครื่องขัดเกลารูปประชานนั้น เป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันรูปประชานนั้นเป็นไปเพื่อสมาธิที่สงบและละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่าแต่มิใช่ สันเเลกธรรมธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลาต่อจากนี้ได้ทรงแสดงถึงธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลาด้วยรัดสั่งสอนให้ปฏิบัติ ัเกหลายข้อหลายประการแต่จะยกมาแสดงในที่นี้เพียงส่วนหนึ่งคือได้ตรัสสอนว่าใข้ ตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติขัดเกลาคือเว้นจากปานาติบาตทําสัตว์มีชีวิตให้หลกให้ตกล่วงไป เว้นจากอธินนาทานถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามีได้ให้เว้นจากอภร ม, มจริยกิจหรือเว้นจากกามมมิจฉาจารย์ประพฤติผิดในกรมเว้นจากพูดเท็จเว้นจากพูดสอเสียดเว้นจากพูดคำหยาบ เว้นจากพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลเว้นจากคิดโลกเพ่งเลงทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนเว้นจากพยาบาทปองร้มุ่งร้ายเว้นจากมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิด และได้ตรัสสอนให้ตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติขัดเกล่าเว้นจากมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดประกอบด้วยสมมาทิฏฐิความเห็นชอบถูกต้อง เว้นจากสัมมาสังกประความดำริผิดเว้นจากมิจฉาสังกประความดำริผิดประกอบด้วยสัมมาสังกประความดำริชอบเว้นจากมิจฉาวาจาเจรจาผิดประกอบด้วยสัมมาวาจาเจรจาชอบ เว้นจากมิจฉากรรมมันตะการงานผิดประกอบด้วยสัมมากรรมมันตะการงานชอบเว้นจากมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีวิตผิดประกอบด้วยสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบเว้นจากมิจฉาวายามะเพียรพยายามผิดประกอบด้วย สัมมาวายามะเพียรพยายามชอบเว้นจากมิจฉาสติระลึกผิดประกอบด้วยสัมมาสติระลึกชอบเว้นจากมิจฉาสมาธิสมาธิผิดประกอบด้วยสัมมาสมาธิสมาธิชอบเว้นจากมิจฉาญาณนะ รู้ผิดประกอบด้วยสัมมาญาณนะรู้ชอบเว้นจากมิจฉาวิมุตติพ้นผิดประกอบด้วยสัมมาวิมุตติพ้นชอบและได้ตรัสสอนวิธีปฏิบัติโดยให้ ทำจิตตุบาทคือความบังเกิดขึ้นแห่งจิตอ่ตอนให้รู้ทางปฏิบัติเลี่ยงหรือบายเบียงรู้จักทางปฏิบัติ ที่จะอยู่เบื้องบนไม่อยู่เบื้องล่างทิศทางปฏิบัติที่จะดับไม่ใช่ก่อให้บังเกิดขึ้นข้อแรกทีต่ตรัสสอนให้ปฏิบัติเริ่มตั้งแต่ทำจิตุบา คือความมันเกิดขึ้นแห่งจิตใจนั้นก็คือให้ปฏิบัติทำความตั้งใจให้บังเกิดขึ้นว่าเราจะปฏิบัติขัดเกลา้าดังกล่าวมาข้างตน้น เมื่อทำความตั้งใจว่าจะจะปฏิบัติขัดเกลาขึ้นดังนี้การปฏิบัติทางกายทางวาจาก็เป็นไปตามเองเพราะฉะนั้นจิตตุกบัทความมันเกิดขึ้นแห่งจิตคือทำความตั้งใจให้มันเกิดขึ้น ว่าเราจะปฏิบัติขัดเกลวเป็นข้อแรกจิตตุบาตเกิดขึ้นดังนี้การปฏิบัติขัดเกลวทางกายทางวาจาก็จะเป็นไปคือจะปฏิบัติเว้นจาก กานาธิบตัติอธินาทานเป็นต้นเว้นจากมิจฉาตตะคือความเป็นผิดต่างๆมีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นต้นแต่ว่าแม้จะตั้งใจ ว่าเราจะปฏิบัติขัดเกลาดังนั้นก็จำเป็นที่จะต้องรู้ทางที่เรียกว่าทางเบี่ยงทางเลี่ยงอันหมายความว่าเบี่ยงหรือเลี่ยงทางที่ผิด มาปฏิบัติในทางที่ถูกเพราะว่ามีทางทั้งสองอยู่คู่กันเช่นทางที่ผิดนั่นก็ได้แก่ปานาธิบัติทำสัตว์มีชีวิตให้ตกลุ่ม ทางที่ถูกนั่นก็ได้แก่ปานาติปาตาเวรมณีเว้นจากปานาติบัติคือความกดเว้นทางที่ผิดนั่นก็คือมิจฉาความเป็นผิดต่างๆเช่นมิถาเช่นมิฉาทิฐิ ทางที่ถูกนั่นก็คือความเป็นถูกต่างๆเช่นสัมมาทิฏฐิทางทั้งสองนี้มีอยู่คู่กันดังนี้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องรู้ทางเลี่ยงหรือทางเบี่ยงอันหมายความที่จะ ออกจากทางผิดมาสู่ทางที่ถูกเบี่ยงหรือเลี่ยงจากทางที่ผิดมาสู่ทางที่ถูกก็เหมือนอย่างการวิ่งของรถเมื่อวิ่งไปตามทางปกติ บางแห่งก็มีทางเบีย่ยงเป็นตรงเบีย่ยงจากทางที่กำลังซ่อมทางที่ไม่ดีไปสู่ทางที่ดีที่ไปได้เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติขัดเกลาวนั้นจึงต้อง รู้จากทางเบี่ยงหรือทางเลี่ยงดังกล่าวมานี่เบี่ยงจากทางที่ผิดสู่ทางที่ถูกแต่ว่าในการที่จะเลี่ยงหรือเบี่ยงได้นี่ก็จะต้อง รู้วิธีต่อไปประกอบอีกด้วยคือวิธีที่จะอยู่เบื้องบนไม่อยู่เบื้องล่างทางที่ผิดนั่นเรียกว่าอยู่เบื้องล่างทางที่ถูกนั่นเรียกว่าอยู่เบื้องบน เพราะฉะนั้นจึงต้องรู้จักที่จะปฏิบัติตนให้ขึ้นอยู่เบื้องบนของทางเบื้องล่างคือให้ขึ้นสู่ทางที่ถูกเหนือทางที่ผิด ฉะนั้นจึงต้องมีการปฏิบัติที่จะยกตนให้สูงขึ้นจากทางที่ผิดให้ขึ้นไปสู่ทางที่ถูกเมื่อยกตนให้ขึ้นไปสู่ทางที่ถูกได้ ยึงจะอยู่เหนือทางที่ผิดได้แต่ว่าในการที่จะปฏิบัติ <c oughs> ยกนลให้อยู่เหนือทางที่ผิดคือขึ้นไปอยู่เหนือขึ้นไปสู่ทางที่ถูกเหนือทางที่ผิด ดังนี้ได้ก็จะต้องอาศัยการปฏิบัติอีกขั้นหนึ่งคือให้รู้จักปฏิบัติดับไม่ใช่ก่อคือดับทาง ไม่ก่อทางที่ผิดหรืออีกอย่างหนึ่งจะเรียกว่าก่อทางที่ถกูกก็ได้ดับทางที่ผิดเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยการปฏิบัติ ดังกล่าวมาในการปฏิบัติขัดเกล้าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ตั้งต้นแต่ต้องมีจิตตุบาตความมาเกิดขึ้นแห่งจิตคือมีความตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติขัดเกล้า และจะต้องรู้และปฏิบัติเบี่ยงหลีกเลี่ยงจากทางที่ผิดสู่ทางที่ถกูกจะต้องรู้และปฏิบัติขึ้นสู่ทางที่ถกูก ไม่ตกลงสู่ทางที่ผิดเพราะทางที่ผิดนั่นเป็นทางต่ำทางที่ถูกนั่นเป็นทางสูงจะต้องรู้และปฏิบัติดับทางที่ผิดก่อทางที่ถกูก ก, การที่จะปฏิบัติได้ดังนี้ก็ต้องอาศัยธรรมะที่เป็นอุปการะต่างๆทั้งสติทั้งปัญญา พังคันติความอดทนเป็นต้นสติคือความระลึกได้ที่จะรักษาจิตใจรักษาตน คือให้นึกได้อยู่เสมอว่าเราจะทำจะพูดจะคิดอะไรเรากำลังทำกำลังพูดกำลังคิดอะไรปัญญาคือความรู้ว่าสิ่งที่จะทำจะพูดจะคิด